เรื่องบูรุตผู้ถูกพระราชาแย่งพันยาอันว่าพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในนครสาวัตถีพระเจตวันมหาวิหารทรงปราโลกพระเจ้าประสิทธิและบูรุตผู้ถูกพระราชาแย่งพันยาวันหนึ่งพระราชาประสิทธิประทักษิณพระนครทรงช้างเผือกปุณทริกะ ทรงลลยเห็นหญิงคนหนึ่งบนปราสาทชั้นที่เจ็เกิดความปฏิพัฒ์ในหญิงนั้นอามาทูลว่าหญิงมีสามีแล้วพระราชาจึงรับสั่งให้สามีหญิงนั้นเข้าเฝ้าและอุบายแต่งตั้งให้เป็นทหารรับใช้แล้วจะยกโทษบางอย่างแล้วฆ่าเสียเอาพัญญามาวันหนึ่งพระราชาสั่งให้เขาไปเอาดอกโกมุตดอกอุบลและดินสีอรุณ มาให้ทันเวลาพระราชาอาบน้ำเวลาเย็นถ้าไม่ได้มาจากลงอาญาผู้หุษนั้นคิดอยู่ว่าเราต้องตายเป็นแน่แท้ชื่อว่าดินสีอรุณกับดอกกอมุตและดอกอุบลย่อมเกิดในภพแห่งนาาเราจะได้ที่ไหนหนอกลับไปเรือนแล้วขออาหารจากพัญยาออกเดินทางสิ้นโยธหนึ่งพบคนเดินทางเขาแบ่งอาหารให้หน่อยหนึ่ง แล้วเขาก็บริโภคที่เหลือบริโภคแล้วก็โปรยเข้าสุกลงในน้ำเอามือหนึ่งบ้วนปากแล้วประกาศขึ้นสามครั้งด้วยเสียงอันดังว่าขอพวกหน้าครุฑและเทวดาผู้สิงอยู่ในประเทศแห่งแม่น้ำนี้จงฟังคำของข้าพเจ้าพระราชาปรารถนาจะลงอาญาแก่ข้าพเจ้าบังคับข้าพเจ้าให้หาดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบล ข็อ<ค> <JavaScript S 1> อันอ า, นาหารที่ข้าพเจ้าให้แก่คนเดินทางแล้วทานที่ข้าพเจ้าให้แล้วนั้นมีอ น, นิสงส์ตั้งพันอาหารที่ข้าพเจ้าให้แก่ปลาทั้งหลายในน้ำทานที่ข้าพเจ้าให้นั้นมีอ น, นิสงส์ตั้งร้อยข้าพเจ้าให้ผลบุญประมาณเท่านี้ให้เป็นส่วนบุญแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงนำดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลมาให้ข้าพเจ้าเถิด โปรสังเกตว่านี้เป็นเรื่องการอุทิศบุญให้เทวดาพลีในเทวตาพลีซึ่งมีมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาลพญานาคผู้อาศัยอยู่ในที่นั้นได้ยินเสียงจึงแปลงเพศเป็นชาชราขึ้นมาหาบุรุษนั้นกล่าวว่าท่านพูดอะไรบุรุษนั้นจึงกล่าวซ้ำอย่างนั้นแหละพญานาคกล่าวว่าท่านจงให้ส่วนบุญนั้นแก่เราจึงกล่าวว่า เราให้นายเมื่อพญานาคกล่าวซ้ำๆอีกบุรุษก็ยืนยันคำนั้นแม้สิ้นสามครั้งพญานาคจึงได้ให้ดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลแก่บุรุษนั้นฝ่ายพระราชารับสั่งให้ปิดประตูเมืองเสียตั้งแต่อย่างวันทีเดียวแล้วให้นำลูกดานไปเก็บยังสำนักของพระองค์ บุรุษนั้นมาทันเวลาพระราชาทรงสงสนานแต่เข้าวังไม่ได้เพราะประตูเมืองปิดคิดว่าบัตรนี้เราจะไม่มีชีวิตแล้วจะทำอย่างไรหนอคิดแล้วก็โยนก้อนดินไปที่ธรณีประตูข้างบนแขวนดอกไม้ไว้ที่นั่นตะโกนร้องขึ้นสามครั้งว่าชาวพระนครผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงรู้ความที่กิดอันข้าพระเจ้ากระทาตามรับสั่งของพระราชาแล้วเถิด พระราชาทรงใคร่จะฝังเราให้พินาดด้วยเหตุไม่สมควรแล้วเข้าไปสู่วิหารเพราะเหตุแห่งทุกครอบงำคิดว่าที่พึ่องอื่นของเราไม่มีนอกจากวิหารแล้วนอนหลับอยู่ตลอดคืนฝ่ายพระราชาไม่ได้การหลับอยู่ตลอดราตรีทรงรำพึงถึงหญิงความรุ่มร้อนเพราะกามเกิดขึ้นแล้ว ทรงคิดว่าขณะที่ราตรีสว่างแล้วเราจะให้ค่าบุรุษนั้นเสียแล้วให้นําเอาหญิงนั้นมาในขณะนั้นแหลสัตว์นรกสี่ตนในนรกชื่อโลหะกุมพีลึกห0โยชโยถูกไฟนรกไหม้กลิ้งไปมาอยู่ดุดเข้าสารในหม้อที่กำลังเดือดพล่านจมลงไปถึงพื้นภายใต้สาม0 0ื่นปีลอยขึ้นมาถึงขอบปากอีกสาม 0,000 ื่นปี สัตว์นรกเหล่านั้นยกศีรษะขึ้นลาดูกันและกันแล้วปรารถนาจะพูดแต่ไม่อาจากล่าวได้จึงพูดได้ตนละหนึ่งอักษรว่าทุสนโสพระราชาไม่ได้การหลับได้ยินเสียงนั้นกลางดึกทรงหวาดวันมีพระไทยสะดุ้งทรงดำริว่าจักมีอันตรายไม่อาจหลับลงได้ตลอดคืนรั้นพอรุ่งอรุณ จึงให้ปุโรหิตทํานายปุโรหิตครั้นจะตอบว่าไม่ทราบเกรงยศลาบจากเสื่อมจึงกราบทูลว่าขอให้พระองค์ทรงบูชายันมีสัตว์อย่างละร้อยจะได้ชีวิตมีช้างม้าโคผู้โคนมแพะแกะไก่สุ ก, กรเด็กชายเด็กหญิงอย่างละหนึ่งรพระราชาตรัสว่าท่านจงจับสัตว์ทุกชนิดเร็ว พวกปุโรหิตก็จับสัตว์เอามากเกินประมาณครั้นพระนางมัลิกาเทวีทรงทราบแล้วนำเสด็จให้พระราชาไปเฝ้าพระบรมศาสดาพระราชาทรงเล่าเหตุการณ์ทั้งหลายแก่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าในอดีตการพระพุทธเจ้าพระนามกัสปะมนุษย์มีอายุสองหมื่นปี พระพุทธเจ้ากัสส ป, ปะเสด็จจาริกไปกับสาวกสองหมื่นเสด็จกรุงพาราณสีบุตรเศรษฐีสี่คนมีสมบัติสี่สิบโกดเป็นสหายกันปรึกษากันว่าเรามีทรัพย์มากพวกเราจะกระทำอะไรด้วยทรัพย์นั้นแม้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปอยู่ก็ไม่ได้กล่าวว่าเราจะถวายทานรักษาศีลคนหนึ่งกล่าวว่า เราจะดื่มสุราอ ย, ย่างดีเคียวเนื้อรสอร่อยและเที่ยวไปชีวิตย่อมมีความสุขอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเราจะบริโภคข้าวสาลีที่มีกลิ่นหอมที่เก็บค้างไว้สามปีด้วยรถเลิศต่างๆทเที่ยวไปอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเราจะให้เขาทอดของควรเคี้ยวแปลกๆมีประการต่างๆเคียวกินเที่ยวไปอีกคนหนึ่งกล่าวว่า เรจาจักไม่กระทำกิจอะไรๆจากปล่าวปลมหญิงทําปรทาริกกรรมคือการเมสุมิจฉาจารในพัญญาของชายอื่นเที่ยวไปเสรษยีบุตรทั้งหมดชอบใจในถ้อยคําของสหายคนที่สี่ได้ใช้ทรัพเพื่อบำเรอหญิงที่มีรูปงามกระทำผิดในพัญญาของชายอื่นกระทำกาละคือตายแล้วไปบังเกิดในเอเวจีมหานรก ไม่แล้วในนรกสิ้นพุทธันดอนหนึ่งเกิดในโลหะกุมภีนรกอลึกหกสิบโยดจมลงถึงพื้นภายใต้สาม0 0ื่นปีลอยขึ้นมาถึงปากหม้อด้วยสาม0มื่นปีอีกเป็นผู้ใครจะกล่าวคาถาคนละคาถาแต่ไม่อาจกล่าวได้กล่าวได้ตนละอักษรแล้วกลับลงสู่ก้นหม้ออย่างเดิมอีกเสียงที่ได้ยินวัตุมาจากประโยคในภาษาบาลีซึ่งแปลแล้วว่า เมื่อเราทั้งหลายเมื่อโภคะมีอยู่ไม่ได้ถวายทานไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนพวกเราจัดว่ามีชีวิตชั่วช้าแล้วเสียงที่ได้ยินว่า ส, สะมาจากประโยคซึ่งแปลว่าเมื่อเราทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ในนรกครบหกหมื่นปีเมื่อไรที่สุดจากปรากฏเพราะกรรมชั่วอันเราได้กระทําแล้วเวลานั้นเสียงที่สามว่า น, นะ ผู้นีรทุกทั้งหลายที่สุดย่อมไม่มีที่สุดจากมีแต่ที่ไหนที่สุดจะไม่ปรากฏเพราะว่ากรรมชั่วอันเราและท่านได้กระทำไว้แล้วในการนั้นเสียงที่สวาโสคำเต็มมาจากประโยคซึ่งแปลได้ใจความว่าเมื่อเราทั้งหลายจากที่นี่ไปแล้วได้กําเนิดเป็นมนุษย์จะเป็นผู้รู้ถ้อยคำที่ยาจกกล่าวถึงพร้อมด้วยศีล ทำกุศลให้มากแน่ชนทั้งสี่นั้นปรารถนาจะกล่าวคาถาคนละคาถาเมื่อมีอาจกล่าวได้กล่าวได้ตนและอักษรเท่านั้นแล้วจมลงสู่โลหกุมพีอีกนั่นแลด้วยประการชนนี้จำเดิมแต่การแห่งเสียงนั้นพระราชาทรงสดับแล้วสัตว์นรกเหล่านั้นได้พลัดลงไปภายใต้อย่างเดิม ถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ล่วง 1,000 พันปีความสังเวชใหญ่ได้เกิดขึ้นแก่พระราชาเท้าเธอทรงดำริว่าอันความประพฤติผิดในพัญญาของชายอื่นนี้เป็นกรรมอันหนักหนอได้ยินว่าชนทั้งสี่ไม่แล้วในเอเวจีนรกตลอดพุทธันดรหนึ่งแล้วมาเกิดในโลหะกุมพีอีก6กหมื่นปีแม้อย่างนี้การเป็นที่พ้นจากทุกข์ก็ยังไม่ปรากฏ แม้เราทำความเยื่อใยในพัญญาของชายอื่นยังไม่ได้หลับตลอดคืนยันรุง่งแต่นี้ไปเราจะไม่ปลูกความพอใจในพัญญาชายอื่นฝ่ายบูรุษนั้นนั่งฟังอยู่ในที่นั้นด้วยจึงกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาทรงทราบความที่แห่งราตรีนานเพราะความไม่ได้หลับตลอดคืนในวันนี้ ส่วนข้าพระองค์ได้ทราบความที่แห่งโยอไกลในวันวานพระศาสดาจึงตรัสเป็นพระคาถาว่าราตรีของคนผู้ตื่นอยู่นานโยอดของคนผู้ล้าแล้วไกลสังสารวัฏของคนผานทั้งหลายผู้ม่รู้อยู่ซึ่งสัตยธรรมย่อมยาว ในการจบเทศนาบุรุษนั้นบรรลุโสดาปฏิพล์แล้วแม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้และพระราชาเสด็จกลับรับสั่งให้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายจากเครื่องจองจำแล้วกล่าวสรรเสริญคุณของพระนางมลริกาที่ช่วยชีวิตพระองค์ภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันถึงพระนางมลิกาเป็นผู้มีปัญญามาก พระสัสดาตรัสว่ามิใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นถึงในชาติก่อนพระนางก็เคยได้ให้ชีวิตแล้วแก่มหาชนมาแล้วเหมือนกันในอดีตการพระนางเกิดเป็นพระนางธรรมทินนามเหสีของพระราชาอุคเสณถูกพระโอรสพระเจ้าพารณสีจับไปพร้อมกับพระราชาทั้งหลาย101รหนึ่งพระองค์กับด้วยมเหศีทั้งหลาย1 0ึหนึ่งพระองค์ เพื่อผลีกรรมแก่รุกขเทวดาที่ต้นใสที่ตนได้สวยราชสมบัติแต่ด้วยพระปัญญาของพระนางธรรมทินนาที่กล่าวว่าหม่อมชั้นตัดคอแม่แพตัวเดียวไม่อยู่แล้วในนรกด้วยการนับคนแห่งแพข้าแต่พระองค์ผู้กษัตริย์พระองค์ตัดคอมนุษย์เป็นอันมากถึงหนึ่งรอพระราชาหนึ่งรอม่เหสีจะ ก, กระทาอย่างไร พระราชาพรารณสีได้ฟังสลดพระไทยจึงทรงปล่อยพระราชาทั้งหมดพระเจ้าพรารณสีในการนั้นได้เป็นพระเจ้าประสเสนที่โกศนพระนางธรรมทินนาเทวีเป็นพระนางมลิการุกขเทวดาคือตถาคตแล้วทรงตรัสพระคถาว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อยู่อย่างนี้ว่า ชาติสมภพนี้เป็นทุกข์สัตว์ไม่พึงฆ่าสัตว์เพราะว่าผู้ฆ่าสัตว์เป็นประราชิคผู้พ่ายแพ้ย่อมเศร้าโศกหมายเหตุผู้อา่านสำหรับเรื่องนี้อยากฝากถึงคนที่ชอบบูชาพญานาคนะครับการร้องขออ้อนวอนด้วยสินบนด้วยการบนบานสิ่งที่ไร้าสาระบนบานด้วยเครื่องบูชาต่างๆนั้น อยากฝากให้คิดว่าถ้าหากเหล่าเทพและพญานาคมีอยู่จริงและมีฤทธิ์ได้จริงท่านจะพึงพอใจกับของที่นำไปถวายหรือพึงพอใจกับบุญกุศลที่เราทำถวายท่านกันแน่หากคิดจะบูชาเทพก็ควรเป็นเทพที่มีอยู่จริงไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเล่าหรือสมมุติเทพที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในการสร้างคุณธรรมดังเช่นที่หลายลัตทิสร้างขึ้นมาเพื่อให้ศาสนิกนับถือนะครับ การไหว้เทพนั้นถ้าทำให้ถูกต้องก็ยังพอมีประโยชน์บ้างแต่ต้องเข้าใจและใช้เรื่องเหล่านี้มาเป็นเทวานุสติกรรมฐานทำความดีสร้างความดีไหว้เทพให้เหมือนไหว้ผู้ใหญ่ที่ควรเคารพไหว้ในความดีของเขาและนำความดีนั้นมาปฏิบัติและทำความดีถวายท่านก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและเทพที่เราบูชาครับเรื่องนี้ฝากไว้สำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เต็มที่